ท้องฟ้าหม่นฝนเศร้ากาวอับแสงฝนแรงป่าร้อนอ่อนระโหยน้ำตาฟ้าหยาดรินปลายโปรยลมโชยโรยร่างบางเบาป่าไม้ร้องไห้พี่ลายหวว ดินร่วนร่ำให้ทั่วเขตเขาลำปะทาสอื่นร่ำทั้งลำนาวทั่วขุนเขาภูแลนคาป่าเงียบงันสัตสานานับปรพชีวิตสะเทือนจิตสถทานใจไหววัน สะดับข่าวหลวงพ่อใหญ่แห่งไพรวันคืนนามรูปดับขันนิรันดรเมฆครึ้มตั้งเขาคารวะแผนดินจะจดจานงานสอนฟ้าเทนา้าฉ่ำดนเพื่อดับร้อน เบาพรทุกบองของแผ่นดินสนองบุญคุณของหลวงพ่อใหญ่ผู้ดูแลพงไพรทั่วท้องถิ่นผู้กอบผู้ธรรมชาติคืนผืนดินฝลรังรินคาระวะพระเมตตา ทุกท้อยคำทุกความจำในคำสอนเป็นดั่งพรแด่จิบทุกทิศเป็นแสงเทียนส่องสว่างทางปัญญาน้อมนำมาบูชาทุกคราไปบรรทึกทำนำจิบ สนิทแน่นหลวงพ่อสอนแก่นคาลำค่าทไหนมีสติดูจิตสนิดใจสร้างจังหวะประกอบไว้ไม่เสียทีวาสะชีวิตตามยังมีอยู่อยู่กับรู้ ดับไม่เหลือรูปนามนี้แสนประเสริฐท่านว่าพาชีวีเจริญสุขทุกนาทีที่บำเพ็ญแม้ยามป่วยท่านก็ยังสอนธรรมะให้ลดละปล่อยวางทางทุกข์เข็ญ ดังเจ้าพระยาพาน้้ำไม่ว่างเว้นสู่ความไม่เป็นอะไรกับอะไรหลวงพ่อทำเขียนสุวรรณโนเป็นโร่งโพแห่งธรรมเกินคำไข่ทำหลวงพ่อยังอยู่คู่โลกไว สถิตยอยู่ในใจเราทุกคนแม้สังขารลาลับดับไปแล้วทำยังแพ่วบริสุทธิ์ดุดมก่นผลจากคำสอนพร่ำสั่งฝังกระมวลเพื่อล่วงพ้นตามรอยพ่อ ก่อตามครูขอเธอจงเป็นนิโครธโทษร่มใหญ่แผ่กิ่งใบร่มเย็นเป็นที่อยู่แทนหลวงพ่อแสนชื่นใจเมื่อแลดูอยู่กับรู้สิทธิ์มีครู พี่คู่ควร